จเจริญพรทุกท่านหลวงพ่อมาเทศที่นี่เมื่อปีกลายเดือนมกราีกว่ า, วาคราบก่อนใครได้ฟังบ้างใครฟังแล้วปฏิบัติบ้บางเออหายไปหนึ่งในสที่เหลือฟังเล่นๆหรอธรรมะฟังเล่นไม่ได้นะ ธรรมะเป็นของของจริงจังภาวนาต้องสู้กิเลสถ้าเราทำจริงจังเนะี่ยปีหนึ่งนะชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดอย่ยว่าแต่ปีหนึ่งนะบางคนสองสมเดือนนะชีวิตก็เริ่มเปลีป่ยนแปล ง, ป ร, งรู้สึกได้ด้วยตัวเองคนรอบข้างเราก็รู้สึกเคยเป็นคนร้าการ คนที่มีความทุกข์เยอะความทุกข์ก็จะลดลงเห็นเห็นเลยเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงนั้นเวลาหนึ่งปีที่ผ่านถ้าใครภาวนาเราควรจะวัดผลของการภาวนาได้เองใครรู้สึกว่ามีพัฒนาการบางมีไหมหนึ่งปีที่ผ่านมา พัฒนานได้ก็ดีแล้วล่ะเรารู้ได้ด้วยตัวเองธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ที่สุดเป็นธรรมะของการเรียนรู้ตัวเองเรเรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะเห็นผลด้วยตัวเองท่านบอกว่าวินยูชนรู้ได้ด้วยตนเองจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เวลานานธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เป็นธรรมะที่เนิ่นช้า ไม่หลงอ้อยซ้อยอ้อยอิงอยู่บโลกแต่ถ้าเราเป็นคนที่หลงอ้อยซ้อยอ้อยอิงอยู่บโลกก็ช้าันไม่ใช่ช้าเพราะธรรมมาของท่านไม่ดีเพราะเราไม่ได้ภาวนาต่างหากการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะถ้าพวกเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติให้ดีแนละ้วมันไม่ยากเท่าที่คิดหรอกตอนหลกพ่อเด็กๆเกเสียเวลานา น, านเราไม่รู้หลัก ให้คิดแต่ว่าทำสมาธิไปเรื่อยๆทนะุวันหนึ่งจะดีเองแล้วนั่งสมาธิอยู่ทุกวนักวนนะภาคเพียรทำสมาธิําจิตให้สงบไปด้วยแต่มองไม่เห็นว่ามันจะไปพ้นทุกข์ที่ตรงไหนวันนี้สงบพรุ่งนี้ก็ฟุ้งซ่านใหม่ฟุ้งซ่านก็กลับไปทำความสงบใหม่ทั้งชีวิตก็วนเวียนอยู่สงบแล้วฟุง้งฟุ้งแล้วสงบนะมองไม่ออกหรอกว่ามัน จะตัดวงจรของความวุ่นวายอันนี้ออกไปได้ยังไจงจนกระทั่งมาเจอครูบาอาจารย์เจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้หัดดูจิตตนเองคั้นี้ไม่ใช่แค่ทำความสงบอยู่เฉยๆละเป็นการมาเรียนรู้ตัวเองการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องแปลกระลาดอะไรการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือรู ป, ปรนามกายกใจ เราคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองเคยสวดมนต์ไหมสวากขาโตภะคะวะตามมนะระธรรมโมร็ทมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วเนะี่ยสันทิติโกเห็นตามได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวพระพุทธเจ้าสามารถเห็นตามได้วิธีจะเห็นตามนะสันทิติโกอากาลิโกไม่จํากัดด้วยเวลาด้วยธรรมะไม่มีลาสมัยกี่ปีกี่ปีก็ไม่ลาสมัย เราตราบใดที่ธรรมะยังดำรงอยู่กฎของธรรมะยังดำรงอยู่เช่นเรามีกิเลสขึ้นมามีความอยากขึ้นมาเราจะต้องมีความทุกข์หนทางที่จะออกจากทุกข์คือการเจริญอริยมรรคมีองค์ศีลสมาธิปัญญายังไงก็ไม่ดิ้นกี่พันปีกี่หมื่นปะีนก็อยู่ในหลักอันนี้เองไม่หนีไปที่อื่นงั้นธรรมะไม่มีวันล้าสมัยเป็นอากาลิโก สมัยไหนก็ทำได้ถ้าไม่ปฏิบัตินะใจก็หลงโลกหลกโลกก็ทุกข์ไปกับโลกคนสมัยไหนสมัยไหนนัหลงโลกก็ทุกข์กับโลกคนสมัยไหนเข้าใจโลกก็อยู่เหนือโลกได้วิธีที่จะเข้าใจธรรมะนะโอปัะญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองมาเรียนเรื่องตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือรูปนามกายกับใจ้เราคอยย้อนกลับมารู้สึกกายรู้สึกใจไว้ หลวงปูด่ดนเคยสอนหลวงพ่อนะประโยคแรกเลยบอกว่าการปฏิบัตินี่ไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติไม่ยากนะไม่ยากนี่ท่านสอนบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไป น, นี้อ่านจิตตนเองการอ่านจิตตนเองเนี่กเป็นโอปัยโกเหมือนกันน้องกลับเข้ามาหาตัวเองะงั้นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราไปไนกายกับใจงนะั้นถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายก็ได้คอรู้สึกอยู่ใจก็ได้ ไม่จําเป็นทุกคนต้องดูจิตไม่จําเป็นอย่ามาเรียนแบบหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ถนัดดูกายจุดตั้งต้น้ไม่ชํานาญดูกายไม่ถนัดทํามสมาธิแล้วดูกายกายมันสลายไปอย่างรวดเร็ ว, รวแล้วไม่มีอะไรให้ดูแล้วไม่รู้จะภาวนายัางไงอีกมันก็ทำอะไรไม่ได้นี่พอมาเจอหลวงปุ ด, ดูลนยะ์แล้วถ้าให้มาดูจิตต่อการที่เราดูกายหรือการที่เราดูจิต นี่แหละเรียกว่าการน้อมเข้ามาการน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเองโอปานยิโกถ้ามาน้อมเข้ามาดูตัวเองได้ไม่นานนะเราจะรู้ด้วยตัวเองสิ่งแรกๆที่เราจะเห็นก็คือตลาดชีวิตที่ผ่านมาเราอยู่ในโลกของความหลงเราไม่ได้อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวคนในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกในโลกมีแต่คนหลงหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางจมูก หลงไปทางลิ้นหลงไปทางกายหลงไปทางใจหลงทางใจให้หลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งหาคนที่จะรู้สึกตัวนะ่ะหายากเต็มทีงั้นก่อนที่เราจะมาภาวนานะเรามาหัดรู้สึกตัวให้ได้ก่อนที่จะมาเรียนรู้ตัวเองได้ต้องไปลืมตัวเองซะก่อนนี่เป็นเหตุผลธรมธรมดาธรรมดาทําไมเราต้องรู้ตัวเองถ้าเราไม่รู้ตัวเองเราจะเรียนเรื่องตัวเองได้ยังไง คนในโลกมีแต่คนลืมตัวมีร่างกายก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมมันลืมตลอดเวลานี่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนาได้ก็มาหัดรู้สึกตัวอย่าให้ให้หลงไปอยู่ในโลกของความคิดซนะเวลาที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเรารู้สึกตัวไม่ได้มีร่างกายเราก็ลืมมันมีจิตใจเราก็ลืมมันจริงไม่จริงอันนี้นึกออกใช่ไหม พอมหัดภาวนามาช่วงหนึ่งเรารู้สึกตัวเริ่มเป็นขึ้นมาแล้วเวลาที่เราเผลอไปเราเผลอไปคิดใช่ไหมส่วนใหญ่เผลอไปคิดดูออกไหมเวลาเผลอไปคิดเรามีกายเราก็ลืมกายมีจิตใจก็เริืมจิตใจเพราะงั้นงานแรกเลยนะพยายามรู้สึกตัวไว้สภาวะแห่งความรู้สึกตัวนี่ประกอบด้วยองค์ธรรมหลายอย่างองค์ธรรมันหนึ่งก็คือมีสตินะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายคอยรู้สึก เกิด อ, อะไรขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกถ้ารู้สึกบ่อยๆสติจะเกิดจิตที่รู้สึกตัวเป็นจิตที่มีสติถ้าขาดสติแล้วก็เป็นจิตไม่รู้สึกตัวแล้วจิตที่รู้สึกตัวมีความตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไ ม, ไ, ไม่หลงไปไม่ไหลไปจิตของคนทั้งโลกนะั้นนอกจากไม่รู้สึกตัวยังไหลไปเรื่อยๆเวลาดูก็ไหลไปดูเวลาฟังก็ไหลไปฟังเวลาคิดก็ไหลไปคิด รู้สึกไหมใครเคยเห็นจิตไหลไปได้ในยกมือให้หลวงพ่อดูนะซิรู้จักหรื อ, อยังคําว่าเหลวไหลเออมันไหลได้จริงๆรินะไหลไหลไหลไหลไปหาอะไรไหลไปหาอารมณ์นึกออกไหมอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเดี๋ยวก็จิตก็ไหลเดี๋ยวก็จิตก็ไหลแล้วคอยมารู้ทันแล้วอาศัยสตินั่นแหละสติเป็นตัวรู้ทันนะว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจ ถ้าเรามีสติรู้ทันเวลากิเลสเกิดเราจะได้ศีลอัตโนมัติถ้าเรามีสติรู้ทันเวลาจิตไหลไปเราจะได้สมาธิอัตโนมัติเนี่ยถ้าเรามีศีลมีสมาธินะก็จะเจริญปัญญาได้อาศัยสตินี่แหละเป็นเครื่องมืออย่าขาดสติขาดสติเมื่อไหรมีร่างกายก็ลืมมันขาดสติเมื่อไร่มีจิตใจก็ลืมมันก็ลืมมันแล้วจิตใจก็ไหล ไปดูอะไรจิตก็ไหลไปหาสิ่งที่เราดูไปฟังอะไรจิตก็ไหลไปอยู่กับเรื่องราวที่ฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้กระทบสัมผัสอะไรเนี่ยจิตก็ไหลออกนอกไปหมดหรือไปคิดจิตก็ไหลไปอยู่ในโลกของความคิดคพวกเราดูออกไ้มจิตที่ไหลไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าคนไหนพาวาจนเห็นจิตที่ไหลไปอยู่ในโลกของความคิดได้นะคนนั้นตื่นที่หลวงพ่อบอกว่าตื่นตื่นนะบางคนนึกว่าบอกหลวงพ่อพยากรณ์ว่าได้โสดาคนละเรื่องเลยนะ จิตที่ตื่นขึ้นนะคือจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานะแล้วมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายมีสติรู้ทันมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตมีสติรู้ทันยังไม่ได้เริ่มทำ ม, มิปั ส, สนาเลยนะจะเป็นพระโสดาได้ยังไงแค่จะเริ่มต้นแค่เป็นจุดสตาร์ทของการเดินปัญญาเท่านั้นเองภาวะแห่งความตื่นนะนะงั้นอันแรกนะเราคอยรู้คอยฝึกให้จิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้ น, นมา ฝึกการจิตฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยเราจะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิขึ้นมาอัตโนมัติเลยวิธีการก็คือเรามีสติคอยรู้ทันจิตของตัวเองบ่อยๆถ้ากิเลสเกิดขึ้นที่จิตเราคอยรู้ทันความโลภเกิดขึ้นที่จิตคอยรู้ทันความโลภไปเกิดที่อื่นได้ไหมไม่ได้นะความโลภต้องเกิดที่จิตความโกรธก็เกิดที่จิตใช่ไหมความโกรธไปเกิดที่มือที่เท้าได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าโกรธแล้วใช้มือใช้เท้าไปทํางานได้ คนละอันนะกิเลสนเกิดที่จิตนะงั้นเรามีสติคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้กิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสจะย้อมจิตไม่ได้กิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้เราจะผิดศีลไม่ได้เด็ดขาดเลยศีลอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นแล้วเราคอยฝึกนะมีสติรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคอยรู้ทันทุกคนรู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้การรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตเนี่ย ทุกคนทำได้นะแต่ไม่ทำหลวงปู่ดูล์เคยบอกนะประโยคแรกที่ท่านบอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติความโกรธพวกเรารู้จักไหมโกรธรู้จักโกรธใช่รู้จักโลภหรู้จักหลงไหมรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักหดหูไหมรู้จักดีใจเสียใจรู้จักสุขรู้จักทุกหมเรารู้จักสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะแต่เราไม่สนใจมัน เวลาเรากโกรธขึ้นมานะเราวัวไปดูคนที่ทำให้เรากโกรธเราไม่คอยรู้ทันเราล้าเลยที่จะรู้ว่าใจกำลังโกรธอยู่เวลาเรารักขึ้นมาเราไปดูคนที่เรารักใจเราไปจดจ่ออยู่กับคนที่เรารักเราไม่รู้ว่าใจกำลังรักอยู่ฟุ้งซ่านเขาคิดโน่นคิดนี่สารพัดจะคิดเราไม่รู้ว่าใจกำลังฟุ้งซ่านอยู่ยมีความสุขเราก็เพลินไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่ากาลังสุข มีความทุกข์ก็คล่ำควรวนเสียอกเสียใจทุรนทุรายตีโพยตีภายโทษน้นโทษนี่ไปเรื่อยไม่รู้ว่ากําลังมีความทุกข์อยู่สภาวะทั้งหลายเป็นสิ่งที่พวกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะรู้เรามาตั้งหลักใหม่นะมาคอยรู้สภาวะทั้งหลายซึ่งมันมีอยู่แล้วเรารู้จักอยู่แล้วนะตอนนี้จิตใจของเราเป็นอย่างไรเราคอยรู้ไปเรื่อยเรืจิตใจเรามีความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าอ๋อจิตกําลังโกรธอยู่ ใจโลภกพรู้ว่าจใจกําลังโลภอยู่นะใจหลงไปรู้ว่าหลงไปแล้วใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วใจหดหู่รู้ว่าหดหู่แล้วใจมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคอยหัดดูไปเรื่อยนะเป็นการซ้อมการที่เราหัดดูสภาวะบ่อยๆจะทําให้สติของเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นสติเนี่ยไม่ได้เกิดจากสั่งให้เกิดสติเองก็เป็นอนัตตาสติต้องมีเหตุสติถึงจะเกิด ไม่มีใครสั่งให้สติเกิดได้พระพุทธเจ้าก็สั่งสติให้เกิดไม่ได้แต่สติต้องมีเหตุสติถึงจะเกิดพระธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับทั้งสิ้นเลยอะไรเป็นเหตุให้สติเกิดการที่จิตจําสภาวะได้แม่นนะทําให้สติเกนะิดเพราะงั้นเราหัดดูสภาวะ บ, บ่อยๆนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเคยรู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเคยรู้นะันจะรู้ได้เร็วขึ้นรู้ที่ยิบขึ้นมาแต่เดิมต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้ พอาหัดรู้บ่อยๆนะต่อไปใจโกรนนิดเดียวก็รู้ละแวบเดียวก็รู้สึกแล้วแวบเดียวก็รู้สึกล้เคยต้องโลภแรงๆนะถึงจะรู้ต่อไปใจพอใจอะไรขึ้นนิดเดียวก็เห็นละสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นการที่สติของเราเร็วขึ้นเรื่อยๆนะศีลของเราจะดีขึ้นคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงําจิตกิเลสครอบงําจิตได้เพราะไม่มีสติถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่ไไมีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติ งั้นเราฝึกนะหัดสติก็ ค, คือหัดรู้สภาวะบ่อยๆ อ, อะไรเกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้สึกรู้บ่อยๆสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นจะรู้ได้เร็วขึ้นต่อไปนะจิตขยับตัวคลิกเดียวก็เห็นล้นิดเดียวก็เห็นล้ไม่ปรุงยาวไม่ปรุงนานพวกเราที่หัดหัดอยู่พวกเราเลยรู้สึกไหมความทุกข์เราสั้นลงความทุกข์ทางใจเกิดตอนขาดสติเท่านั้นมีคําว่าเท่านั้นนะความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางกายในมีสติก็ยังทุกอยู่ แต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดตอนขาดสติเท่านั้นความทุกข์ทางใจเกิดร่วมกับจิตที่เป็นโทสะถ้าเมื่อไหร่มีสติจิตไม่มีโทสะเนะมื่อไหร่จิตไม่มีโทสะเมื่อ น, นั้นจิตจะไม่มีความทุกข์ถนะ้าเราฝึกสติของเราให้เร็วเพราะเร็วขึ้นเราจะรู้สึกเลยว่าทุกน้อยลงทุกสั้นลงนะเก่งไหมเก่งไหมไม่เก่งหรอกเพราะสติมันเก่งไม่ใช่เราเก่งนะสติมันไวขึ้นไวขึ้นเรามีหน้าที่ฝึกให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยการหัดรู้ไป อะไรเกิดขึ้นในใจิตใจรู้ไปอะไรเกิดขึ้นรีบรู้ไปรู้ไวัยรู้บ่อยๆทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เพราะฉนั้นต่อไปนี้ไม่ละเลยมารู้บ่อยๆนะต่อไปนะีศีลเราจะดีขึ้นหลายคนถือศีลไม่เคยสําเร็จเลยถือศีลได้ไม่นานก็ขาดเจอหน้าพระทีก็ขอทีเจอทีก็ขอทีอทอทหลวงพ่อไม่เอาละให้ศีลนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะให้ศีลแล้วก็เดี๋ยวก็ไปทิ้งลนะนะเสียเวลา มาฝึกให้มีสติสีแล้วศีลจะเกิดขึ้นถ้าเรามีสตินะอย่างความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บเรามีสติรู้ทันปั๊บความโกรธครอบงําจิตไม่ได้เพราะความโกรธครอบงําจิตไม่ได้เราไม่ฆ่าใครใช่ไหมเราไม่ตีใครเราไม่ด่าใครศีลเกิดขึ้นเองไหมความโลบเกิดขึ้นไม่ลักไม่ขโมยใครหรอกสติรู้ทันแล้วนี่ไม่ครอบงําจิตไม่ได้เราไม่ขโมยใครเราไม่เป็นชู้กับใครนะ ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเรารู้ทันความฟุ้งซ่านดับไปเราไม่พูดเพอร์เชอนะสีข้อสี่รักษาง่ายสีข้อ 4, าาสีรรส่รักษายากที่สุดพวกเรารู้สึกไหมรักษายากที่สุดสีข้อไหนรักษาง่ายที่สุดข้อไหนข้อขโมยข้อขโมยก็ต้องดูละเอียด น, นะอย่างมีหน้าที่ทำงานแล้วอู้อ๋อคิดให้ดีนะข้อสามเหรอ ข้อสามเนี่ยยินดีพอใจอยากได้ของรักของหวงของคนอื่นนะเนะี่ไม่ไปแย่งของใครก็ยังก็า ย, ยังชั่วนะแต่ศีข้อสีเนี่ยขาดง่ายขาดง่ายเพราะอะไรมันฟุ้งอ่นะถ้าใจเราฟุ้งซ่าเราพูดเพิรเจอนะสีนิ้วดังลอยแล้วนะไม่ทันโกหกนะแค่เพิร์เจอร์นะพูดโดยไม่จําเป็นต้องพูดพวกเราคนไหนพูดโดยไม่จําเป็นต้องพูดไหมมีไหมห้องนี้ยกมือให้หลวงพ่อชื่นใจทําไมชื่นใจรู้สิษย์หลวพ่อรู้ทนันกิเลส เมือ่อพ่อชื่นใจนะถ้ารู้สิทธิ์หลวงพ่อไม่รู้ทันกิเลส น, นะว้าหน้าสงสารเห็นแล้วสลดสังเวชมากกว่าเนี่ยเราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันนะศีลเราจะดีขึ้นพวกเรารู้สึกตัวไหมว่าเรารักษาศีลง่ายขึ้นถ้าเราฝึกมาทั้งปีกว่าอย่างเงี้ยนะเราจะรู้สึกเลยศีลไม่ใช่เรื่องยากสมาธิดีขึ้นไหมวิธีฝึกจิตให้มีสมาธินะก็ใช้สตินี่แหละ รู้ทันเวลาจิตฟุ้งซ่านสมาธิกับความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันความสงบความตั้งมั่นของจิตเป็นกุศลความฟุ้งซ่านของจิตเป็นอกุศลแต่สมาธิไม่ใช่สมาธิทุกชนิดเป็นกุศลนะสมาธิบางตัวไปเกิดร่วมกับอกุศลก็ได้อย่างผู้ร้ายจะไปยิงหัวคนมีสมาธิไหมต้องมีสมาธิไม่งั้นยิงผิดใช่อาจจะยิงผิดคนหรือยิงไม่ถูกหัว กาสมาธิเนี่ยมันเกิดร่วมกับจิตที่เป็นอกุศลก็ได้แต่จิตที่ตั้งมั่นจิตที่สงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เป็นกุศลนะหรือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลถ้ า, มาเมื่อไหร่จิตตั้งมั่นเ en มื่อนั้นจิตไม่ฟุง้งซ่านเมื่อไหรจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นจิตไม่ตั้งมั่นมันกลับข้างกันความฟุ้งซ่านเป็นอกุศลถ้ า, มาเมื่อไหร่สติเรารู้ทันอกุศลอกุศลจะดับทันที อันนี้เป็นกฎของธรรมะเป็นกฎของธรรมะข้อหนึ่งกฎของธรรมะนี่มีชื่อเพราะๆได้ว่าธรรมนิยามธรรมนิยามมีเยอะนะธรรมนิยามก็คือหลักของธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวธรรมนิยามเช่นถ้ามีตัณหาขึ้นมาก็จะมีทุกข์ขึ้นมาตัณหาทําให้เกิดทุกข์อะไรเงี้ยนี่เป็นธรรมนิยามอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเมื่อไหร่จิตมีสติขึ้นมาเพราะนั้นอกุศลจะดับไปทันที เนั้นเวลาที่จิตฟุง้งซ่านไม่ต้องหาทางทําให้สงบหรอกง่ายที่สุดเลยรู้ทันว่ามันกําลังฟุ้งซ่านอยู่ความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัตนะิไม่ต้องทําอะไรมากเลยนั่นเรื่องสมาธิไม่ใช่เรื่องยากเลยนะขอให้มีสติถ้าขาดสตินะทำสมาธิที่ดีทํายากยากนะทํายากมากเลยจิตไม่คอยจะไหลออกไปข้างนอกไปตลอดเวลานะแต่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วจิตไหลไปแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้เอง เวลาที่เรารู้ทันว่าจิตเป็นคิดนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่จะใช้เดินปัญญาต้องเป็นจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้คิดเะนั้นเมื่อไรจิตหลงไปคิดเรารู้ทันเมื่อไรจิตหลงไปคิดเรารู้ทันนะจิตเราจะเปลี่ยนจากผู้คิดมาเป็นผู้รู้ไม่ฟุ้งซ่านนะจิตจะสงบนะจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้สมาธิที่ดีงามเกิดขึ้นแนละ้ว ไม่ใช่สมาธิสงบอยู่นิ่งๆเฉยๆซื่อบื้อหรือเห็นนิโมงนิมิตอะไรนะสมาธิอย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ไม่ล้างกิเลสหรอกยิ่งเห็นนิมิตเยอะก็ยิ่งกิเลสเยอะโอกาสจะเกิดกิเลสก็เยอะนะอย่างเห็นของสวยๆงามๆเห็นอะไรต่ออะไรใจมันอยากเห็ น, นหรือเห็นผีเห็นผีเกิดกิเลสไหมเกิดเกิดอะไรเกิดความกลัวใช่ไหมความกลัวเป็นโทสะก็เป็นกิเลสนั่นแหละ แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันจิต ท, ที่หลงไปคิดจิตเราจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิชั้นดีพอจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราอย่าอยู่เฉยเฉยเรามีสตินั่นแหละคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายมีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจแต่รู้ด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นตัวนี้แหละตัวแตกหักที่ว่าบางคนทาไมภาวนาจเจริญปัญญาบารรลุมรรคผลนิพพานได้บางคนทาไมทาไม่ได้ ถ้าเมื่อไร่มีสติรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางมันจะเดินปัญญาได้มันจะเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจพวกเราตอนนี้ใครแยกรูปแยกนามได้บ้างตอนนี้ยกมือสิมีไหมบางคนกลัวยึกยักยึกยัก <c oughs> ถ้าแยกได้เราจะเริ่มเห็นรูปธรรม เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้ไหมเห็นไหมร่างกายไม่ใช่เราใครเห็นร่างกายไม่ใช่เราแล้วมีไหมเริ่มน้อยลงเรื่อยๆไหมคำถามของหลวงพ่อเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ค่อยฝึกนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกถ้าฝึกมาจริงๆฟังมาปีหนึ่งนะแล้วฟังแล้วลงมือทํานะฝันนี้แยกสบายมากเลยไม่ใช่เรื่องยากหรอกมันจะเห็นในร่างกายส่วนร่างกายจิตส่วนจิต ทำไมจิตอยู่ส่วนจิตเพรจิตตั้งมั่นจิตไม่หลงไปที่อื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามจะเห็นร่างกายแยกออกไปรู้จักหลวงตามหาบัวไหมจําหน้าท่านได้ไหมท่ามหาบัวสอนดีนะคนรุ่นหลวงพ่อจะเรียกท่านว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวไม่ได้เรียกท่านว่าหลวงตาไม่คุ้นกับคำว่าหลวงตาหรอกอาจามหาบัวเนี่ยจะสอนบอกว่าถ้าไม่แยกรูปนามนะอย่ามาอวดเรื่องปัญญาคือแค่แยก ร่างกายส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนหนึ่งนะกุศลอนะกุศลเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าแยกไม่ออกนะเดินปัญญาไม่ได้จริงนะนี่การทีจ่จะแยกได้เนี่ยอาศัยเครื่องมือสองตัวสติตัวหนึ่งกับสมาธิตัวหนึง่งสติเราฝึกมานะโดยการรู้สภาวะสภาวะอะไรเกิดขึ้นคอรู้รู้รสติจะเร็วขึ้นเรื่อยๆสมาธิเราจะฝึกโดยการที่อาศัยสติไปรู้ทันเวลาจิตไหลไป จิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้นะบางคนอาจจะพุทโธอาจจะรู้ลมหายใจพุทโธไปหายใจไปแต่ไม่ได้พุทโธไปไม่ได้หายใจเพื่อเพื่อให้จิตสงบพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรารู้หายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้ถ้าฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะพอจิตขยับตัวไปคิดนิดเดียวมันจะรู้ทันพอรู้ทันนะความฟุ้งซ่านที่จิตขยับไปนะจิตฟุ้งซ่านมันจะดับอัตโนมัตินะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ อาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติพรเมื่อไหร่มีสตินะเมื่อนั้นกิเลสไม่มีความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสถ้ารู้ทันมันเมื่อไรมนะกิเลสดับเมื่อนั้นเลยจิตจะมีสมาธิขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนี่เป็นวิธีทําสมาธิแบบหนึ่งนะสำหรับคนซึ่งเข้าชานไม่ได้ถ้าเข้าชานได้ก็เข้าไปตามลําดับแต่ถ้าเข้าชานไม่ได้เนี่ยพวกเราคอยรู้ทันเวลาจิตหนีวิคิดอันนี้เป็นวิธีที่จะฝึกสมาธิที่ง่ายที่สุดละ ถ้าจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตจะได้สมาธิพอจิตมีสมาธิแล้วค่อยๆดูไปร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่างเรานั่งหายใจอยู่นี่ค่อยดูไปหรือเรากำลังพูดอยู่เรากำลังพยักหน้าอยู่เราเห็นในร่างกายที่พยักหน้าอย่างร่างกายที่พยักหน้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเราจะเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเหมือนเราเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวใครทาตรงนี้ได้แล้วมีไห้ยกมือ ซ, ซิ ankind, ยกมือที่ทาได้แล้วเชิญยกมือ เนร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกเรารู้สึกไหมตัวที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะ อ, อีกระดับหนึ่งละตรงที่เรารู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้ด้วยสติแต่ถ้าเราเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราอันนี้รู้ด้วยปัญญานะการรู้นะั้นมี2 ส, สเต็ปนะสระดับอันหนึ่งรู้ด้วยสติสติจะรู้ถึงความมีอยู่ของรูปธรมนามธรรม ปัญญาจะรู้ความจริงของรูปกระทำนามธรรมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นตัววิปัสสนาปัญญาจริงๆนะเกิดจากที่เรามีสติรู้สิ่งต่างๆรู้รูปรู้นามนะรู้กายรู้ใจรู้บ่อยๆ ร, รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นบ่อยๆถ้ารู้บ่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นในตัวที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเราไม่ใช่แค่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของมันนะแต่เราจะรู้สึกเลยอนี่มันไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา จะรู้ขึ้นมาด้วยใจเลยใครเคยมีมแปลงฟันอยู่แล้วรู้สึกตัวอะไรก็ไม่รู้ที่เคลื่อนไหวแปลงฟันอยู่หรือใครเคยนอนนะนอนพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วก็อยู่ๆก็รู้สึกขึ้นมาตัวอะไรก็ไม่รู้มันนอนอยู่นะเป็นท่อนๆนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเนี่ยเรียกว่าปัญญานะงั้นที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายแล้วเราจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะจากฝึกให้มีสติเรื่อยๆนะแล้วก็มีมีศีลขึ้นมา มีสมาธิมีใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมานะเสร็จแล้วเอาพวกสติเอาศีลเอาสมาธิอะไรพวกนี้เลยมาเป็นเครื่องมือพัฒนาปัญญานะรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนศีลที่จําเป็นคือศีล5เท่านั้นนะศีลที่เกินจากนั้นทําได้ก็ดีแต่ศีลที่จําเป็นคือศีลห้านะถัดจากนั้นก็ฝึกสติเรื่อยไปนะกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันศีลจะเกิดขึ้นนะ ส, สติรู้ทันเวลาจิตไหลไิคิด สมาธิจะเกิดขึ้นจำได้ไหมตรงนี้ถ้าสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตจะได้ศีลถ้าสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปจิตที่ไหลไปจะได้สมาธิพอมีสมาธิแล้วใจมันจะถอนตัวออกมาจากปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมมันถอนตัวมาเป็นคนดูเวลาที่เราดูกายดูใจทางานเนี่ยเหมือนเราดูคนอื่นเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะเหมือนเราดูฟุตบอลนะ เรานั่งอยู่บนอัธจันทร์เห็นนักฟุตบอลวิ่งอยู่ในสนามไม่ใช่ตัวเราเราไม่โดดลงไปกลางสนามนะสนามบอลกับสนามมวยตอนนี้ใกล้เคียงกันมากเลยนะอย่าโดดลงไปเราดูห่างๆดูปลอดภัยดีหรือเหมือนเรายืนอยู่บนตลิงอยู่บนบกเห็นน้ำไหลไปนะเห็นของลอยมาในน้ำของดีบ้างของไม่ดีบ้างนะเห็นลอยมาลอยไปเราไม่โดดลงไปในน้าใจเราอยู่ห่างๆ เนี่ยใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ห่างๆเนี่ยก็คือใจที่ส่งสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยเราต้องฝึกให้ได้ตัวนี้ขึ้นมาจะได้ตัวนี้ขึ้นมาด้วยการรู้ทันเวลาจิตแอบไปคิดเวลาจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันวิธีที่จะฝึกให้รู้ทันได้ไวๆนะหาอารมณ์มาเป็นเครื่องอยู่ของจิตสักอันหนึ่งก่อนใครถนัดพุทโธเอาพุทโธใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจใครถนัดดูท้องฟองยุบก็ ด, ดูท้องฟองยุบ อะไรก็ได้ไม่เลือกหรอกแต่ว่ารู้ลมหายใจแล้วก็รู้จิตพุทโธแล้วก็รู้จิตจะดูท้องฟองยุบก็รู้ทันจิตทําไมต้องรู้ทันจิตเพราะการศึกษาเรื่องจิตการรู้ทันจิตนี่แหละเรียกว่าจิตตะศิขาจิตตะศิขานั่นแหละทำให้ได้สมาธิเราเคยได้ยินไหมศีลสิกขาจิตตะศิขาปัญญาศิกขาศีลสิกขาเนี่ยเรียนแล้วจะได้ศีลศีลสิกขาถ้าเรียนอย่างลึกซึ้งก็อย่างที่หลวงพ่อบอกใช้สติรู้ทันจิตนี่แหละ ศีลจะอัตโนมัติจะเกิดเรียนเรื่องจิตพุทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตดูท้องฟองยุบแล้วรู้ทันจิตจิตนี้ไปรู้จิตนี้ไปรู้นะสมาธิจะเกิดขึ้นเพราะงั้นปฏิเสธเรื่องการดูจิตไม่ได้นะการดูจิตจะทําให้เราได้สมาธิขึ้นมาบทเรียนในการที่ดูจิตใจของตัวเองนี่ชื่อว่าจิตตสิกขาเพะงั้นจะทํากรรมฐานอะไรไม่สําคัญหรอกใครถนัดกรรมฐานอะไรก็ทําแต่อย่าทิ้งจิต ใครถนัดพุทโธก็รู้ทันจิตนะพุทโธเรารู้ทันจิตใครถนัดรู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตใครถนัดดูท้องพองยุบ ก, ก็ดูไปแต่จิตหนีไปเขาก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ก็รู้ทันจิตไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีกว่าอกรรมฐานอะไรนะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะั้นไม่มีหรอกว่าสายไหนดีกว่าสายไหนนะจับหลักให้แม่นนะถ้าได้จิตมานะได้จิตได้สาระแกนสารของการปฏิบัตินะ เพราะการปฏิบัติเนี่ยเราจะฝึกฝึกอยู่ที่จิตใจของเราเอางกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนะเราต้องค่อยๆฝึกเอางั้นพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไปก็ฝึกเดินปัญญานะเดินปัญญาดูไปร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้นะหายใจไปเรื่อยๆใจเป็นคนดูดูสบายๆดูไปนั่งไปนานๆปวดเมื่อยปวดเมื่อยขึ้นมาเราดูลงไปอีก ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาทีหลังเพราะฉะนั้นความปวดความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันนะภาษาแขกเรียกคนละขันกันขันแต่ว่ากองนะเป็นกลุ่มๆเป็นกองกองนะร่างกายก็อยู่กองหนึ่งความรู้สึกปวดเมื่อยที่แทรกเข้ามาในร่างกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งใจยังเป็นคนดูใจก็เป็นอีกกองหนึ่งเป็นอีกขันหนึ่งนะพอปวดมากๆเข้าความทุรนทุรายเกิด ความทุรนทุรายเกิดที่ไหนเกิดที่จิตใชความปวดเมื่อยเกิดที่กายใช่ไหมความทุรนทุรายมันมาเกิดที่จิตเนี evet. ่ยเราก็เห็นเลยแต่เดิมจิตไม่ได้ทุรนทุรายความทุรนทุรายมาเกิดทีหลัง evet. แสดงว่ามันไม่ใช่จิตหรอกเราแยกได้อีกขันหนึ่งแล้วนะขันตัวนี้เรียกว่าสังขารขันเนี่ยหัดแยกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแยกบ่อยๆนะเราจะเห็นในร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่ง สังขารที่เป็นกุศลกอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งถ้าฝึกตรงนี้ได้นะบอกตรงๆเลยพร้อมที่จะตายตายก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วถ้าคนฝึกจกนกระทั่งจิตมันอัตโนมัติแบบนีนะ้เวลาลดคว่ำลดหงายนะพอลดคว่าปุ๊บเนี่ยไม่วิดไว้กับตุ้บูตกใจขาดสติตายไปอย่างอนาถาไปอบายเลยนะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะจิตมันจะดีด ต, ตัวเป็นคนดูทันทีเลยอัตโนมัตินะ อันเนี้ยทดสอบมามากแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ชอบขับรถเร็วในมอเตอร์เวย์นี้ก็มีนะครับแล้วข้ามไปอยู่ฝั่งหนึ่งหนย่งนะหมุนไปหมุนมารู้ตลอดเลยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะเห็นรถมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอยูนะ่หรือเจ็บป่วยมากๆนะเจ็บป่วยมากๆเห็นร่างกายมันนอนป่วยอยู่เห็นความเจ็บปวดเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตอยู่ต่างหากจิตไม่เจ็บไม่ปวดด้วยนะเนี่ยฝึกให้ได้อย่างนี้นะครับ มันจะเหลือแต่ทุกทางกายทุกทางใจจะค่อยๆลดลงลดลงถ้าอย่างเนี้ตายก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วหัดแยกธาตุแยกขันได้ชาติหน้าไปภาวนาต่อนะ่ะไม่ยากนักละถ้าชาตินี้ยังทําไม่ได้ชาติหน้าก็ยากอีกงั้นหัดนะหัดอย่างที่หลวงพ่อบอกนะฝึกใจให้ตั้งมั่นขึ้นมาก่อนด้วยการรู้ทันจิตหนีไม่คิดรู้ทันใจจะตั้งมั่นแล้วก็มีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปดูมไปเรื่อยๆ เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลอยู่อีกส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูใจก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนดูอยู่ต่างหากไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขทุกข์ไม่ใช่กุศลอกุศลพอขันมันแยกตัวออกไปแล้วเนี่ยขันแต่ละขันนั่นแหละจะแสดงไตรลักษณ์ไตรลักษณ์มาแสดงได้ชัดเจนนะเมื่อขันมันแยกออกจากกันเป็นส่วนๆแล้ว อย่างพวกเราบอกว่าดูกายดูใจเป็นไตรลักษณ์เนี่ยตัวเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นจริงหรอกดูเป็นกลุ่มกลุ่มก้อนๆเนี่ยยังไม่เห็นจริงหรอกต้องแยกเป็นส่วนๆก่อนร่างกายส่วนหนึ่งจะเห็นในร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นเองจะเห็นเลยไม่ใช่คนความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวเราด้วย ถ้าแยกเป็นนะเราจะเห็นในความอย่างปวดขาเนี่ยใครเห็นว่าความปวดที่ขาเป็นตัวเราบ้างไม่เห็นหรอกแต่เห็นว่าเราปวดจะเห็นอย่างนี้นะเพราะจิตยังหลงอยู่ในความคิดอยู่ถ้าจิตไม่หลงความคิดนะจะเห็นในความปวดก็เป็นส่วนหนึ่งนะไม่ใช่เราปวดเป็นคันอีกคันหนึ่งตัวนี้เป็นธรรมะที่ค่อนข้างละเอียดนะแต่พวกเราควรเรียนยากไหมยากถ้าไม่เคยฟัง แต่ถ้าเคยฟังแล้วเคยหัดแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามวันหนึ่งก็ไม่ยากนะฟังหลวงพ่อครั้งแรกสารภาพเลยนะยากทุกคนเพราะหลวงพ่อเนะืเทศแบบมุ่งเอาอาจเอาทมโดยตรงเลยนะไม่มีเทศแบบอ้อมค้อมเลยพูดตรงไปตรงมาที่สุดเลยนะถ้าไม่แยกรูปแยกนามเดินปัญญาไม่ไดนะ้ถ้าไม่มีจิตผู้รู้ขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะสมาธิยังใช้ไม่ได้ ต้องฝึกนะทั้งเอาให้ได้จริงจังไม่งั้นไม่ได้กินหรอกธรรมะไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่คุยเล่นๆฟังเล่นๆเพลินๆต้องมีสติรู้ลงไปเลยอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกอะไรเกิดในใจคอยรู้ึกรู้บ่อยๆรู้ไปเรื่อยแล้วค่อยๆสังเกตไปทุกอย่างเป็นของถูกรู้หมดเลยใจมันจะเป็นผู้รู้นะค่อยแยกไปแยกไปสุดท้ายนจะเห็นขันทั้งหมดเลยทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวจิต มีแต่ความไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะถ้าเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกอริยมักจะเกิดขึ้นนะเวลาที่จะเกิดอริยมกักจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะเราไม่ต้องนั่งสมาธิมันก็รวมเองแต่คนไหนนั่งได้ก็ได้ก็ดีนั่งไปเรื่อยก็ได้พักผ่อนนะแต่ตอนที่จะเกิดอริยามากเนี่ยเราจะเคยเข้าฌานมาก่อนหรือไม่เข้าฌานมาก่อนก็ตามจิตจะเข้าฌานอัตโนมัตนะิจะเข้ามารวมมาที่จิต แล้วมาตัดกิเลสกันที่จิตนี่นค่อยฝึกนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกยากไปไหมยากอะไรหลวงปู่ดูลบอกการปฏิบัติไม่ยากถ้าใครว่ายากไปเจียงหลวงปู่ดูลเราเอง <c oughs> ไม่ยากหรอกยากเพราะเราไม่สนใจยากเพราะเราไม่ให้โอกาสกับตัวเองที่จะพ้นทุกข์รักตัวเองนะแต่ละเลยละเลยแล้วปล่อยชีวิตให้หมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะทําไมชีวิตเราจะต้องจมอยู่กับความทุกข์ตลอดชาติหรอ ทำไมชีวิตเราจะยกระดับให้มันดีกว่านี้ไม่ได้หรือพระพุทธเจ้าชี้ทางไว้ให้แล้วนะรักษาศีน่าไว้ก่อนนะพูดสรุปง่ายๆเลยนะรักษาศีน่าไว้ก่อนแล้วก็มาฝึกสตนะิกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันศีลเราจะดีขึ้นดีขึ้นจนกลายเป็นสีนอัตโนมัตนะิแล้วเวลาจิตหลงไปคิดคอยรู้ทันตรงนี้อาจจะพุโทโธอาจจะหายใจอะไรมาช่วยก็ได้นะเป็นแลนด์มาร์กเป็นเครื่องสังเกตจิต หายใจพูดโธไปหายใจไปก็ได้ดูท้องผ่องยุบก็ได้แล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ตรงที่จิตหนีไปคิดรู้เนี่แหละเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาไม่ใช่ผู้คิดจิตผู้คิดกับจิตผู้รู้กลับข้างกันเมื่อไร่เป็นจิตผู้คิดก็ไม่เป็นจิตผู้รู้เมื่อไร่เป็นจิตผู้รู้ก็ไม่เป็นจิตผู้คิดนี่ตั้งขึ้นมาถ้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วนะคราวนี้ก็แยกกายแยกใจไปเห็นร่างกายอยู่ส่วนนึงใจอยู่ส่วนหนึ่งใชได้สมาธิแล้วก็มาเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาขั้นแรกก็แยกขันนั่ นั่งไปนั่งไปทนทนเอานะนั่งไปเราก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยก็เห็นความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตนะจิตเป็นคนดูปวดมากๆเข้าใจทุรนทุรายแล้วอยากจะลุกขึ้นไปเดินโน่นนี่ความอยากเกิดขึ้นมาแล ż, นะ้วรู้ทันความอยากอีกก็เห็นอีกนะความอยากเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความเจ็บปวดไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอีกหัดอย่างนี้บ่อยๆนะ เราจะเห็นเลยทุกส <ide> ิ่งทุกอย่างตกอยู่ใต้ไตรักทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเช่นร่างกายเนี่ยร่างกายของเราเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้านะร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงอยู่ได้ชั่วคราวก็ต้องหายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวก็หายใจออกร่างกายก็มีความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์เราหายใจเข้าเรื่อยๆสิอยหายใจออกก็ทุกข์ใช่ไหมเราก็หายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ หายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกขนะ์แล้วก็เห็นอีกไอ้ตัวที่หายใจอยู่เป็นวัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะโปร่งเข้าโปร่งออกอยู่อย่างนั้นเองนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเป็นอนัตตาตนะัวอย่างนี้ใช่หไหมจะลงมาดูเห็นร่างกายเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตามาดูจิตก็เหมือนกันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะความสุกสกขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยง จิตที่ไปดูก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปฟังก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปคิดก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงทุกอย่างก็ตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้สักอันเดียวความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้อยู่ได้ชั่วคราวก็หายไปความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้อยู่ได้ชั่วคราวก็หายไปกุศลกอกุศลก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้อยู่ชั่วคราวก็หายหมดทั้งกุศลทั้งอกุศลแล้วก็บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่คือคําว่าอนัตตา นะบังคับไม่ได้ถ้าภาวนาจนเห็นนะกายกับใจธาตุขันธ์ทั้งหลายตกอยู่ใต้ไ ต, ไตรลักษณ์นี่แหละคือตัวปัญญาแหละถ้าปัญญาแจ่มแจ้งนะพระพุทธเจ้าบอกไว้ลาบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อมาพูดให้ฟังในวันนี้นะคือวิธีที่จะพัฒนาปัญญานะวิธีพัฒนาเพื่อจะให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจนั่นเอง เครื่องมือมีฝึกสติขึ้นมานะฝึกสมาธิให้ใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วก็รักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ทำอย่างนี้ได้นะก็ชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นพอแล้วนะเทศมากกว่านี้ก็จะหลับแล้วครับหลวงพ่อครับมีที่จะส่งการบ้าน12ท่านครับาเชิญเลยเริ่มท่านแรกเลยนะครับาการนมัสการหลวงพ่อครับ ไม่ได้มาส่งการบ้านของพ่อนานมากแล้วนี่ผมนั่งสมาธินะครับแล้วก็พอเวลาจิตมันเหลือแต่จิตดวงเดียวครับแล้วผมก็ถอยลงมาร่างกายหายไปหรือครับเออดีแล้วพิจรารณาพวกรูปนามอะไรเนี้ครับ ม, มันไม่ยอมพิจรารณาไม่สิ มันไม่มีรูปให้พิจารณาแล้วนี่เหลือแต่ใจอันเดียวแล้วก็พิจารณาพวกเล็บฟันอะไรพวกนี้เอาตอนนั้นมีร่างกายไหมไม่มีครับไม่มีแล้วจะไปพิจารณาไงแต่ผมจําได้ว่าเอางี้เขาพิจารณาเขาไม่ได้พิจารณาตอนนั้นตอนจิตรวมไปนะให้มันรวมไปคอยจิตถอยออกจากสมาธิน่ะมีร่างกายแล้วดูเลยผมไม่ใช่ตัวเราคนเล็บฟันหนังเนื้นเกระดูกไม่ใช่เรานะ เวลาพิจารณาให้มันมีของจริงรองรับไว้ตอนนั้นรูปมันหายจิตนเข้าอัปปนาสมาธิตรงนั้นเอาไว้พักผ่อนพอจิตเคลื่อนออกจากสมาธิแล้วเนี่ยกลับมามีร่างกายแล้วก็พิจารณร่างกายเข้าไปเลยพิจารณาเร็วไปหน่อยแสดงว่าผมยังไม่ค่อยชำนาญใช่ไหมครับเพราะถอยมาทีไรมันไม่ยอมพิจ า, นานรณาทีถอยอยังไงก็พอรอมันเหลือแต่จิต ให้ตัวนั้นเอาไว้พักผ่อนอนะพักอยู่นั่นแหละพอมันถอยออกมาสู่โลกข้างนอกมีร่างกายขึ้นมาก็มาพิจารณาร่างกายเอานะตอนที่จิตเข้าไปอยู่ดวงเดียวล้วนๆนนจิตมันต้องการพักผ่อนมันไม่ยอมพิจารณาจริงถ้าไปฟื้นมันเดี๋ยวปวดหัวนะผมพิจารณามันตอนที่ถอยออกมามันก็มีรูปอยู่แล้วแต่มันไง่แต่มันไม่ยอมพิจารณาเลยอ๋อตอนนั้นจิตมันติดความสงบ นะจิตมันติดสมาธิแล้วที่หลวงปู่มั่นเคยสอนนะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยพอเราออกจากสมาธิแล้วจิตมันไปติดเฉยอยู่อันนี้ต้องน้อมใจไปช่วยมันพิจารณานะดูไปเลยหรือถ้าไม่พิจารณากายนะก็พิจารณาจิตไปเลยจิตเมื่อกี้สงบตอนนี้เริ่มจะเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยไม่เที่ยงนะดูอย่างนั้นไปเลยครับก่อนที่ผมจะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อผมก็ไปถามครูบาอาจารย์ท่านะอื่นนะ ท่านก็บอกว่าให้อยู่ในนั้นได้เลยใช่สิเวลาอยู่ในสมาธิก็อยู่ไปสิมันออกมาแล้วค่อยพิจารณาเนาะท่านตอบถูกแหละครับท่านให้ดูผู้หาผู้รู้อะครับไอ้ท่านจิตเป็นอัปปนาก็ตัวจิตนั่นแหละตัวผู้รู้ล่ะไม่ไปหาไดอะไรอีกมันคืออะไรตัวจิตที่เหลืออยู่นั่นแหละคือตัวผู้รู้ละนะไม่ต้องไปหาตัวผู้รู้แล้ว ได้แล้วอพอดีผมไม่ได้มาส่งกันบ้านหลวงพอ่อนะาคือพอเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆ น, นะตัวนั้นแหละคือตัวจิตผู้รู้นะตามมาพอจิตเริ่มหยาบขึ้นมานะจะเห็นเลยมีความสุขฝุดขึ้นมาเนี้ยความสุขเป็นของถูกรู้ถูกดูนะมีปีติขึ้นมาปีติเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตยังเป็นผู้รู้ผู้ดูอยูนะ่อย่างนี้เป็นการเดินปัญญาในสมาธิ พอออกจากสมาธิมามีร่างกายขึ้นมาแล้วกลับมาอยู่ในโลกเห่ง น, นี้นะก็ดูร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตจึงเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อาศัยกําลังสมาธินั่นะจะทําให้ตัวจิตผู้รู้เนี่ยทรงอยู่ได้หลายวันบางทีทรงอยู่นานแ ต, แต่ผมชอบดูจิตแบบหลวงพ่อมากกว่าอเอาถ้าอย่างนั้นจะดูจิตนะก็พอเข้าสมาธิไปแล้วเนี่ยใจอยา ก, ยากจะพิจารนารู้ว่าอยากเอางั้นไปเลย ไปเดินปัญญาในสมาธิไปเลยแล้วเวลาออกมาข้างนอกเนี้กิเลสอะไรเกิดรู้ทันไปได้แต่ระวังอันเดียวถ้าจิตติดสมาธิออกมาจะไม่มีกิเลสให้ดูอะไราะฉะนั้นนิ่งๆเฉยๆทั้งวันนะครับตอนนิ่งๆเฉยๆทั้งวันดูจิตเนี่ยไม่ดีเลยเพราะว่าไม่มีอะไรให้ดูก็ต้องมาดูกายเพราะฉนอย่างเวลาคนที่ทําสมาธิมากๆเนี่ยกรรมาทานที่เหมาะนะกลับเป็นเรื่องกายนะไม่ใช่จิตผม ผมชอบดูจิตมากกว่าเพราะที่ผมเอางี้ชอบดูจิตก็ดูไม่ได้ว่าอะไรนะ <c oughs> เอาแต่ว่าทําสมาธิมันรวมเหลืออัปาณานะเหลือใจดวงเดียวปล่อยมันพอออกมาแล้วเนี่ยความรู้สึกอะไรเกิดที่จิตก็คอยรู้เอาช่วยมันคิดได้ใช่ไหมครับหลวงพอ่อไปคิดมันทำไมกันล่ะ ม, มันนิ่งครับเออถ้า น, นิ่งต้องช่วยคิดถ้า น, นิ่งตอนนี้รู้ไปจิตมันนิ่ง <c oughs> ดูซิแกจะนิ่งนานสักแค่ไหนดูอย่าง <c oughs> างี้ยังได้เลยนะ อยากตัวจิตนิ่งก็ไม่ค่อยนิ่งนานหรอกนี่ยจิตตอนนี้กัตตะกี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะเนี่ยจิตก็ไม่เที่ยงล้วเห็นไหมเนี่ยการดูจิตเขาดูกันอย่างนี้นะครับตอนนี้กัตตะกี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนอีกนะเนี่ยดูจิตเขาดูกันอย่างนี้นะเห็นไหมมีแต่ของไม่เที่ยงเห็นไหมมันเป็นตัวเองบังคับมันไม่ได้แม้แต่ตอนที่เรานั่งสมาธิเวลามันรวมมันก็ไม่ได้บังคับมั้ยไอ้นั่นก็บังคับไม่ได้ครับ นะเวลาเข้าอับปนาณนะเข้าไว้พักผ่อน อ, ออกมาแล้วก็มาดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันไปเรือ่อยเห็นไหมหใจเราแต่ละขณะแต่ละขณะไม่เคยเหมือนกันนะั่นแหละดูอย่างนั้นนะไม่ใช่ดูให้นิ่งนะอคนต่อไปนมาสการค่ะหลวงพ่อ อ, เ, อ, อเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อตอนนั้นคิดว่าตัวเองภาวนาดีค่ะสบายสว่างแล้วหลวงพ่อบอกว่ายมติดโอภาษ อตอนนี้คิดว่าหายแล้วก็เลยขอเช็คอีกทีว่าจิตมืดหรือจิตสว่างตอนนี้จริงๆมืดค่ ะ, ะถ้าจิตมืดก็มีโมหะค่ะไม่ติดโอภาสหรอก็มีโมหะค่ะค่ะแล้วไม่ติดไม่ติดอย่างเก่าเนาะค่ะค่ะ แล้วเมื่อสองปีที่แล้วว่ะค่ะที่โยมเคยเรียนถามหลวงพ่อว่าโยมไปเห็นความไม่มีตัวเราแล้วมันกลัวขึ้นมาอย่างมากคือทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่ซ้ํามันยังคําควรด้วยในบางครั้งมันรักตัวเองที่สุดนะที่มันกลัวเนีเพราะมันรักตัวเองมันเริ่มเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีมันรับไม่ได้มันรับไม่ได้มันรับไม่ได้แล้วพามันดูไปดูของจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกนะถึงว่าหนึ่งมันต้องรับจนได้นะ คือทางเดินของโยมมีอยู่แค่นี้คือดูไปซ้ําๆให้ให้จนกว่ามันจะรับได้ใช่นนะะทางเดินของใครก็มีอย่างนั้นแหละดูจนจิตมันหายดือ้อจิตไม่ยอมรับความจริงที่ภ<ห>าวนากันแทบเป็นแ ท, บ, นทบตายนะก็เพื่ออบรมให้จิตมันยอมรับความจริงนั่นแหละเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ไหมคะใช่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าจิตมันดับหมายถึงว่าชีวิตมันมันเป็นของสั้นสมมติว่าถ้า อยมยังไม่เห็นนะจุดนั้นแล้วมันไปจบตอนที่แบบมันกำลังคล่ำควรว่าแบบกายก็ไม่ใช่ของเราจิตก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันไปอบายไปสิใช่ไหมคะออค่ะงั้นรีบรีบภาวนาเข้าค่ะ ข, ขอขอบคุณค่ะมันยังเสียดายจะตายแล้วมันอะไรอวบอ น, นะมันไปอบายเลยไปเป็นอะไรหรอหใจอะไรอวรนจะเป็นอะไรเปนเปลือสิใ จ, ใจใมี <laughs> ห่วงแหนอยู่นะ อ่ะต่อไปนำ้ำตาการค่ะตอนนี้กดอยู่ใช่ไหมดังๆหลวงพ่อแก่แล้วหูตึงตื่นเต้นมากค่ะอ๋อตื่นเต้นอะรับทราบแล้วว่าตื่นเต้นแล้วก็ตอนนี้กดอยู่ด้วยหรือเปล่าคะแน่นไหมอืมก็แน่นก็กดถ่น ค, คือตอนนี้ก็หลวงพ่อให้ไปพุโทโธค่ะพอพุโทโธแล้วก็ไม่ค่อยอยู่กับพุโทโธค่ะก็จะคิด หลวงพ่อไม่ได้ ใ, ไหให้พุโทโธเพื่อจะต้องอยู่กับพุโทโธทั้งวันนะหลวงพ่อให้พุโทโธเพื่อจะรู้ทันจิตที่หลงไปคิดเร็วๆนั้นที่เราหัดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยพอจิตมันหนีไปจากพุโทโธเราจะได้รู้ไวๆนะเพื่อจะได้จิตเราจะได้สติเราจะได้เร็วจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เร็วๆไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรพูดเป็นธรรมะนะไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไร คือตอนตั้งใจว่าจะให้อ่จะให้คุณแมแ่แต่ว่าคุณแม่ไม่กล้าที่จะถามก็เลยไม่มีอะไรจะส่งขอบคุณค่ะต่อไปกราบด้านราชการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเคยให้ไปดูพุทโธเหมือนกันแล้วก็ไปดูมาตอนนี้จิตไปอยู่ที่หลวงพ่ออืโอเ้เนกะ่งเนอะรู้ว่าจิตมาอยู่กับหลวงพ่อ <laughs> แล้วก็ เคยมีเรียนหลวงพ่อไปว่าช่วงหนึ่งมีความทุกข์น้อยลงหลวงพ่อบอกว่ากดข่มก็เลยกลับมาดูตัวเองก็ปลื้มปล่อยตัวเองปรากฏว่าเห็นกิเลสตัวเองเยอะมากนั่นถ้าภาวนาเป็นจะเห็นกิเลสเยอะภาวนาไม่เป็นก็รู้สึกกูดีกูดีนะค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้ออควรจะต้องปรับปรุงอะไรมากหรือเปล่ารู้อย่างที่มันก็เป็นไปได้น ะ, ะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันแล้ถัดจากนี้ก็รู้ด้วยความเป็นกลางถ้ากิเลสเยอะๆเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบ หลักของการที่เราจะรู้ทันนะอันแรกเลยรู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นเมื่อสภาวะอย่างความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอยเกิดขึ้นเรารู้โกรธเกิดขึ้นมาเรารู้เนี่ยใช้ได้สเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองรู้ทันจิตพอจิตมันมีความโกรธแล้วมันยินดีมันยินร้ายเรารู้ทันบางคนยินดีในความโกรธนะภูมิใจที่ได้โกรธบางคนยินร้ายโกรธแล้วไม่อยากไม่อยากโกรธ ยิดียินรายขึ้นมารู้ทันมันเข้าไปอีกตอนนี้ยมจิตตื่นม้างยังคะ hmm? จิตโยมตื่นมั้งตื่นไหมล่ะเวลาหลงไปคิดเรารู้ไหมทราบค่ะเมื่อไหร่หลงไปคิดเรารู้เมื่อ น, นั้นตื่นค่ะแล้วเริ่มเดินปัญญาม้างยังะคะจิตแยกออกมาเป็นคนดูไหมเป็นบางครั้งมะะั้งมันก็เดินปัญญาเป็นบากครั้งสิงงแต่ไม่มี น, นะเดินปัญญาตลอดเวลาไม่มีน ะ, ะจิตจะพลิก เข้ามารู้สภาวะเฉยๆเป็นช่วงๆเมื่อไรเห็นไตรลักษณ์เมื่อ น, นั้นเดินปัญญาเมื่อไรเห็นรูปนามเมื่อ น, นั้นเป็นสติรู้ด้วยสติสติเป็นตัวรูรูปนามปัญญาเป็นตัวเห็นไตรลักษณ์เราะนั้นเวลาที่เราเดินปัญญาเนี่ยไม่ได้เดินปัญญารวด <Okay. S 1> นะเมื่อทีจิตก็กลับมารู้สึกอยู่ที่กายเฉยๆทีจิตก็จับไปจับความรู้สึกอยู่นิ่งๆนะตัวนั้นเป็นสมถะ ถามจะพลิกไปพลิกมาคนที่สองอ่ะเพ่งไหมหลวงพ่อถามไปอย่างนี้เละอ่ะขอกาดครับหลวงพ่อตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับกลัวไหมกลัวครับทําไงดีถามไม่ออกหลวงพ่อถามเองครับ <c oughs> ก็อยากจะถามหลวงพ่อเรื่องเ อ, อสมาธิครับ เ <K an> ขาก่อนหลวงพ่อบอกว่ายังขาดสมาธิอยู่ครับตอนนั้นก็แล้วก็พอไปทําเนี่ยมันก็มีหลายอย่างก็คือว่าอย่างเช่นแบบรวมไปจนเหลือแต่จิตเนี่ยครับแล้วมันก็คิดคิดคิ ด, ค ด, คดไปตอนนหลวงพ่อบอกว่าให้ถ้าคิดก็ให้รู้อะไรเงี้ยครับคราว <K an> นี้มันตามไปแต่ว่ารู้แล้วมันก็คิดต่อรู้แล้วมันไม่ไม่ห้ามนะ <K an> รู้เป็นช็อตช็อตชไป <K an> ไปเรื่อยๆอยใช่ไหมอยู่ตรงนั้นเดินปัญญาได้เลยนะเห็นไหมจิตมันคิดได้เอง เ อ, อถ้าเห็นอย่างนั้นนะเราเดินปัญญาอยู่ในสมาธิเลยเห็นไตรลักษณ์เลยดูจนมันมันจนโมโหมันไงครับเออโมโหเราด้วยแล้วก็บางทีก็ทําไมโมโหเพราอยากให้มันดีใช่ไหยแล้วมันไม่ได้อย่างใจครับโมโหเนี่ยตามหลังโลภเป็นลูกของความโลภนะักความโกรธ่ะความโลภไปเป็นลูกของความหลงเป็นลูกของความหลงอีกที แล้วก็บางทีก็นั่งแล้วก็สว่างอืครั้นี้พอสว่างครั้งแรกก็มาดูว่ามันไม่มันไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยฮะคิดไหมตัวนั้นคิดคิดมาอถ้าคิดนําก็ใช้ได้นะครับเพื่อเป็นอุบายประกะตุน้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยการคิดเนี่ยครับคราวนี้บางทีก็คิดว่าเอ๊ะมันคิดไปครั้นี้ก็เลยหรือว่าดูแสงสว่างไปเรื่อยๆดูแสงสว่างเรื่อยๆเป็นสมถะครับนะ อย่าไปดูแสงสว่างเรื่อยๆเอาแต่ความสุขไม่ได้ย้อนกลับมาดูกายดูใจไหมถ้ามันไม่ยอมดูกายดูใจก็คิดพิจารณากายพิจารณาใจแต่ถ้ามันดูแล้วไม่ต้องคิดครัหนะลวงปู่ดูลสอนในะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดนะงั้นบางคนต้องอาศัยคิดหลวงพ่อมีอะไรจะทุบไหมครับไม่ทุบหรอกเราเมื่อยมือแล้วใครยรู้ทันนะรู้ทันใจของเราไปเรื่อย ดีฝึกยอใช้ <Okay. S 1> ได้น้มสการครับก็ตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็จะมีกดอยู่ไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่ครับตอนอยู่บ้านก็จะรู้จะหลงตลอดเวลาแต่ว่าบางทีจะหลงยาวแล้วพอลงปาก็จะพูดโทพูดโทช่วยถ้าถูกแล้วละ่ะใ่ครับใจต้องถึงฐานใจขนานี้ถึงฐานไหมไม่ถึงครับรู้ฐานใช้ได้แวไม่ค่อยเข้ามาเองอครับข่าอกาพระอาจารย์ครับ ในกรณีที่เรานั่งสมาธิแล้วเกิดพิจารณาเรื่องของความปวดเมื่อยเจ็บปวดเนี่ยถึงขั้นหนึ่งที่รู้สึกว่าทนต่อไปไม่ได้แล้วควรจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับมันแล้วแต่ว่าเราใช้กรรมฐานอะไรนะรอย่างนั่งสมาธิจนปวดมากๆเนี่ยถ้าเราใช้ฐานกายนะเราก็ลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถเราดูรูปเนี่ยเราเห็นเมื่อกี้รูปมันนั่งตอนนี้รูปมันยืนเราไม่ได้เดือดร้อนเลยกับเรื่องเวทนา ถ้าเราใช้ฐานจิตมันปวดมากๆจิตทุรนทุรายเราก็เห็นเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถจิตมีความสุขพออกพอใจเรารู้ทันนะเราก็ไม่ต้องนั่งต่อแต่ถ้าเราใช้ฐานเวทนานะาต้องทนเอาเราก็เห็นในร่างกายส่วนหนึ่งความเจ็บความปวดเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นอีกส่วนหนึ่งต้องนั่งแยกมันไปเรื่อยนะแยกไม่ใช่เพื่อเอาชนะเวทนานะภาวนาเพื่ออะไรไม่ได้เพื่อเอาชนะขันทั้งหลายนะแต่เพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอก ไอตัวที่ปวด่ความปวดไม่ใช่คนนะความปวดเป็นแค่ความรู้สึกอย่างหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเพราะฉั้นถ้าเราใช้ฐานเวทนาแล้วก็สู้ตายเอาถ้าใช้ฐานอื่นเราก็เปลี่ยนไปครับขอบคุณครับอาจารย์ชัดไห ม, มเพราะฉะั้นไม่ใช่นั่งเอาชนะเวทนานะถ้าบางคนเราเข้าใจผิดคิดว่านั่งจะเอาชนะเวทนาถ้าคือนั่งแล้วบอกว่าทนได้กูเก่งเลย ยิ่งกิเลสหนักกว่าเก่าอีกนะแต่เรานั่งไปเพื่อให้เห็นนะเวทนาก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เวทนาแยกได้ไหมตัวนี้กายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาฝึกตัวนี้ดีนะเวลาที่เราใกล้ตายเราอาจจะต้องเจ็บปวดมากนะถ้าเราไม่เคยฝึกเลยสติแตกนะไปอบายได้ง่ายถ้าเราเคยฝึกนะร่างกายก็ส่วนกายเวทนาก็ส่วนเวทนาจิตก็ส่วนจิตนะเวลาที่เราจะตายเจ็บปวด โดร้ายทารุณแค่ไหนมันจะเห็นนะร่างกายมันนอนอยู่ความเจ็บปวดมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตเป็นอีกอันนึงจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานไปสู่คติเลยดีไมด่ดีไปนิพพานเลยขอบพระคุณเจ้าค่ะโยมเคยลองพุทโธดูใช่ไหมจ้าแล้วก็ตอนหลังก็เห็นเห็นว่ากายเนี่ยเขาทำงานของเขาเองเออต้องอย่างนั้นสิค่ะอวัยวะต่างๆนะคะพอเห็นจากตรง น, นั้นเสร็จก็เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ ถุงถุงยางอะค่ะเหมือนหนังอะค่ะเหมือนกองหนังอะไรก็ไม่ทราบอะไรแล้วมัไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่รู้ตัวเองอ้าปากลืมตาหรืออะไรคือไม่รู้เลยค่ะมันมันมันมันมันไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ทราบอะไรพระละหันสมัยพุทธกาลท่านก็พูดไว้นะอย่างพระโมคคัลลานี่ท่านบอกเห็นร่างกายนะเหมือนถุงหนังนะเป็นถุงหนังมีของโศกโครกไหลออกมาเป็นนิดเป็นถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆหก้ารูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วน มีของโศโครกไหลชุ่มออกมาเป็นนิดคะแต่ของ่อมพอเห็นแล้วมันคือคือเห็นบางทีบางอวัยวะเขาก็เปิดเปิดหุบหุบบางอันก็เป็นอะไรไหลๆก็ไม่ทราบค่ะแล้วเสร็จแล้วพอตอนหลังก็อา้าวนี่เหรอคือรู้สึกตลกค่ะรู้สึกคขำอพอรู้สึกขำมันก็เป็นความสุขขึ้นมาค่ะเอะพอขึ้นมาเสร็จก็กลับมาเป็นตัวตัวตัวเดิมอจิตมันถอยออกมาละไม่ใช่กลับมารวมกันกลับมาเป็นคนเดิมจ้ะค่ะแล้วแล้ว พอสมมติว่าเราเราทำอย่างนั้นได้เนี่ยแล้ว เ, เราจะทํามันเป็นเองมันเป็นเองอย่าจงใจทํานะถ้าจงใจทําไม่เป็นหรอกครับแต่ค่อยฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกจิตนี้ไปคิดเรารู้นะจิตเราตั้งมั่นขึ้นมา<ๆ>จิตตั้งมั่นล้วก็ค่อยดูกายทํางานดูใจทํางานค่อยดูไปเรื่อยต่อไปมันแยกของมันเองแ ล, แล้วพอเราเห็นอางนั้นเราก็ดูไปเรื่อยๆเหรอจ๊ะจคะไม่ไใช่ <ไป S 3> ดูไปเรื่อยนะแล้วดูไปแล้วต่อไปเห็นแจ่มแจ้งในร่างกายะ ่เป็นแค่วัตถุธาตุเป็นถุงหนังเท่านั้นเองก็เพิ่มเข้าก็เพิ่มออกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาต่อไปจิตมีปีติขึ้นมารู้ว่ามีปีติมันนี่<ฯ>สังขารนะเกิดขึ้นลแล้วไม่ใช่ดูกายแล้วคราวนี้กลับมาดูจิตแล้วดูไปแล้วเกิดปีติดูกายแล้วก็เกิดปีตินีกก่กลับมาดูจิตลแล้วก็เห็นปีติมันก็เกิดได้เองปีติเกิดแล้วก็ดับไปนี่ปีติก็ไม่เที่ยงจิตเองเป็นผู้รู้อยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็เป็นผู้คิดจิตเองก็ไม่เที่ยง ดูอย่างนี้เรื่อยไปยค่ะแล้วเคยเคยฝึกที่เมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงดูเวทนานะคะมยมยมเคยฝึกดูว่าเออเวลาเวลานัาา่งสมาธิมีครูบาอาจารย์สอนอยู่<ม>ก็ยมก็เอาละจะสู้ยอมสู้<ม>ก็ดูมันเกิดขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ<ม>แล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วก็ดิน้นดินดิน้น<ม>ดินเสร็จพอตอนหลังยมก็ไปไม่สนใจมันไปนดูอย่างอื่นต่อ <c oughs> มันก็จะหายลืมตรงนั้นไปค่ะพอกลับมาดูใหม่มันก็เป็นใหม่ไอ้ยังมันหนีหนีเออแตดูก็ดูสู้ตาย ดูแล้วสู้สู้แล้ ว, ลวรู้ไปไหเห็นเวทนาเจ็บปวดมากๆกแล้วดูไปนะะปวดแล้วใจทุรนทุลายขึ้นมาแล้วใจอยากหนีแล้วรู้ว่าใจอยากรู้เข้ามาตัวนี้ใจก็จะเป็นกลางคงั้นไม่ว่ารู้สภาวะอะไรนะสภาวะอะไรก็ได้สภาวะอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้เท่านั้นะแต่เมื่อรู้แล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันตัวนี้สําคัญนะต่อไปเราก็จะดูเวทนาด้วยจิตที่เป็นกลางค เคยได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่อยๆไหมมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแต่มันยังไม่เป็นกลา ง, งเอยให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางค่ะแล้ ว, ลวออตอนนี้โยมรู้สึกว่าคือคือรู้สึกว่ารู้สึกตัวบ่อยขึ้นถูกแล้วรึเปล่าเจ้าค่ะที่ปฏิบัติมาหลวงพ่อก็ว่ า, างั้นแหละเดาๆออกนะ <c oughs> ข, อขอบพระคุณเจ้าค่ะขันได้แยกออกไปไหมออมันยังไม่ถึงขนาด น, นั้นเลยรู้สึกไหมใจมันโปร่งกว่าแต่ก่อนไหม ลงกว่าเจ้าค่ทุกสั้นลงไหมทูกสั้นและสุขกสั้นลงเจ้าค่ะสุขกสั้นเห็นไหมสุกก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้นะใช่ค่ะก็คือพอไปเห็นมันว่ามันก็จะไปอะไรนี่แหละค่อยเป็นชาวพุทธหน่อยเราจะรู้เลยว่าความสุขความสงบความดีเนี่ยไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อีกของพวกนี้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้แปรปลวนอะไรที่เราเห็นซ้าแล้วซ้ําอีกเราเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไป ตัวนี้ของจริงใจยอมรับตัวนี้ได้ก็ได้ธรรมะแหะเจ้าค่ะแต่มันก็ยังติดสุขอยู่เจ้าค่ะติดสบายเราสู้หรอครับการเป็นมัศการของพ่อค่ะก็จะมีอยู่สถานะที่เจอก็คือว่าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงแล้วก็เพ่งแล้วก็กดแต่ว่ามันจะหลงบ่อยมันจะมันจะเพ่งบ่อยแล้วก็กดบ่อยจนกลัวว่ามันจะเป็นอจินตกรรมอะค่ะอืม เราต้องทําอะไรตรงนี้ไหมคะหรือว่ารู้มันไปอย่างเนี้ค่ะโลภไหมเราไม่ได้รู้ไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะรู้อะไรเราก็รู้ทันจิตด้วยค่ะอย่า<ะ>งตอนนี้เราเห็นเดียๆๆเเด๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอนะดูไปดูไปเรื่อยๆชักกังวลนะกังวลว่าจะทํำยังไงดีนะทําอย่างนี้จะถูกไหมทําอย่างนี้จะถูกไหมทําอำนี้ต่อไปจะไปติดไหมนะให้รู้ทันว่าใจกังวลแลนะรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้เลย แล้วที่ที่ที่ยังชอบมันจะแบบเหมือนกับเพ่งก็ไม่เป็นไรก็รั้วเพ่งแต่พอพอมันจะอยู่เหมือนกับเพ่งปุ๊บมันก็กดจิตตัวเองอะค่ะไม่ทราบว่ามันจะกดไปทาไมกดจิตผ่อนผ่ไนมมันเคยชินที่จะกดห้ามมันไม่ได้ให้รู้ทันว่ากดอยู่เอาแค่รู้ทันนั่นแหละแล้วก็ถ้ามันกดแน่นๆก็ผ่อนคลายทำใจผ่อนคลายหน่อยถอนหายใจเลยก็ถอนใจสทีเดี๋ยวเขาล ก็ตอนนี้ยังติดอะไรบ้างไหมคะไม่ถึงหมายถึงติดที่ไม่ดีอ่ะก็ก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละก็ติดแหละใช่ไหมติดประคองอะไรติดประคองการกดนี่คือการประคองใช่มันคือความสุดตรงไปข้างบังคับตนเองการที่เผลอลืมกายลืมใจนั้นสุดตรงตามใจกิเลสไป เวลาเราลืมกายลืมใจนะั้เราสุดต่งไปข้างกามาสุขาลิการุโยกเวลาที่เราบังคับเววเพ่งเรากดกายกดใจเนะี่ยสุดต่งมาข้างอัตตะกิลมัฐานุโยกนะความสุดต่งสองด้านนีพระพุทธเจ้าห้ามว่าบัญชาชิตรหรือผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรเสพแต่จิตมันคุ้นเคยนะเราก็มีหน้าที่รู้ทันแล้วตรงไหนที่เป็นกลางตรงที่รู้ทันสภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลาง ไม่เผลอไปไม่ลืมกายลืมใจในขณะที่ตอนที่รู้สภาวะอยู่เนี่ยไม่ได้เพ่งนั้นก็ไม่เผลอไม่เพ่งเป็นภาวะแห่งความรู้สึกตัวนะน่าจทางสายกลางถ้างั้นก็กดไปก็ให้รู้ตัวไปมันก็รู้ว่าจริงจริงก็ ก, หกให้รู้ให้รู้ <กด S 2> ทั น, น <ะ S 2> ว, ว่าใจไม่ชอบนี่ให้ดูยินดียินร้ายนี่ะนะไม่ใช่ไปดูตัวกดนะดูเข้ามาให้ถึงจิตจิตไม่ชอบ พระคุณค่ะแบบนมัสก็จกล่องพ่อเพราะค่ะหนูเห็นจิตมันเวียนไปอยู่ในอบายเป็นส่วนมากอยู่เรื่อยๆอดีถู ก, กต้องแล้วโดวยเฉพาะตัวหลงคิดได้หลวงพ่อหลงคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หลวงพ่อก็เลยตอนนั้นเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นใ ห, ให้ห า, หาที่อยู่อะไรนี้ค่ะก็เลยตั้งใจทาแบบที่หลวงพ่อบอก ในรูปแบบทั้งเช้าเย็นนะคะพูดโธแล้วก็ซอมรู้ก็ระหว่างวันก็เหมือนกันอก็รู้สู้รู้ได้ดีขึ้นนะคะดีะะการบำมศักดิะของหลวงพ่อคะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมค่ะใช่เลยค่ะหลวงพ่อครั้งล่าสุดที่พบหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าหนูอีก็สูงตอนตอนแรกที่หลวงข้อพูดเนี่ยหนูอึ้องเพราะหนูมีความรู้สึกว่าอ จริงเหร อ, อใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยสี่เดือนหนเจอหลายอย่างเลยอะค่ะหลวงพ่อทั้งสุขทุกข์แพ้ชนะสำเร็จล้มเหลวแล้วมันมันสะเทือนมากค่ะหลวงพ่ อ, อ ม, มันมันไม่ให้ค่าเลยตอนเนี้ยค่ะคือสุขกับทุกข์ทุกหลวนหลวนแพ้ชนะ ทุกลุ้นล้วนมไม่ว่าคุณอยู่ฝ่ายไหนคุณอยู่ตรงตำแหน่งไหนมันมันมันหาสุขไม่เจอเลยกันไม่มีญญหรอกค่ะไม่มีมในโลกนี้เต็มไปด้ยวยความทุกข์นะแต่ว่าสติปัญญาของคนทั่วไปไม่เห็นอย่างไม่ต้องในโลกอะในกายในใจของเราเนี่ยเป็นทุกลุ้นล้วนแต่เรากลับเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง นะถ้าเราพอนาถี่ยิบขึ้นมานะสติปัญญาเราเร็วเราจะเห็นว่าในกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะในจิตนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีสุขหรอกนะตอนไหนที่ทุกข์น้อยลงนะคนซึ่งขาดสติขาดปัญญาเขาว่าตัวนี้เป็นสุขเราจะรู้เลยว่าตรงนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้อย่างใจเรานะวันนี้มีความสุขอีกวันไม่มีนะมันยังเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยนะเราต้องเข้มแข็งนะ ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะใจยังไม่พอใจอยู่ใจยังไม่พอใจไม่เป็นกลางใจยังเจือโทสะถ้าเจือโทสะอยู่เราก็รู้ทั น, นมีไหมใช่ค่ะหลวงพ่อก็เ<ร>าดาเอาแหละพ อ, ะ เ, ะอเวลาเราเห็นสภาวะแล้วเราก็บอกว่ามันเท่ากันนะแต่เราไม่ชอบหรอกเราเห็นว่าแพ้ชนะเท่ากันแต่เราไม่ชอบหรอกให้รู้ทันตัวนี้เข้าไปอีกทีหนูพาวนาเก่งขึ้นเยอะเลย นมีหลวงพ่อมีเสียงหลวงพ่อเป็นเพื่อนค่ะโอ้ดีค่ะหลวงพ่อพูดทั้งวันทั้งคืนนะใช่ค่ะไม่เคยหยุดเลยหลายๆคําถามที่ตั้งใจถามในวันนี้วันนี้หลวงพ่อเทศอะค่ะหนูมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเป็นสิ่งเดิมๆที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆเนื้อหาเท่าเดิมแต่แต่หลายครั้งที่เวลาเราเราล้นลาในในในทางโลกความรับรู้ของเรามันแคบลงค่ะใช่พอตอนเนี้ยตัวเราเหลือนิดเดียว เราไม่มีที่พึ่งนอกจากพระราตนาตายกับหลวงพอ่ อ, อ, อตอนนี้ยใจมันเปิดหลวงพ่อตอบคํำถามให้นหนูเรียบร้อยแล้วตอนเมื่อกี้ที่หลวงพ่อเทศขอบพระคุณหลวงพ่อคะ่ะในโลกนี้เป็นทุกข์นะเราอย่าไปคิดว่ามันจะสุขเลยถ้าเราพาวนาได้ดีจริงๆนะเราจะรู้ว่าอย่าว่าแต่โลกมันนู้นเลยสามโลกธกาตุนี่ยนะไม่มีที่ให้หย่างเท้าเลยเพราะฉะนั้นใจมันจะหลุดออกจากโลกนะแต่ไม่ใช่แบบหลุดโลกบ้านนะ มันปล่อยวางโลกเลยมีแต่ทุกข์อ่ะใจไม่เอาหรอกใจไม่ทิ้งเองฝอึกนะความทุกข์ที่เราเห็นวันนี้เป็นทรัพยากรในการปฏิบัติเป็นโอกาสดีคนบางคนไม่เคยเจอความล้มเหลวผิดหวังในชีวิตนะอย่างอะไรต่อยก็โลกง่ายอตอนนี้เราเริ่มเข็ดลาบบ้างแล้วล่วะกราบนมาส ก, การเจ้าค่ะ คืโยมยังไม่เคยมีโอกาสได้ส่งการบ้านกับหลวงพ่อนะเจ้าคะ่ะนนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกเจ้าคะ่ะแต่ก็ได้มาฟังหลวงพ่อหลายครั้งแล้วก็ได้ฟังสีดีของหลวงพอ่อก็หลายครั้งเจ้าคะ่ะจากที่โยมปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามแล้วก็ดูรูปดูนามเจ้าค่ะดูไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ปฏิบัติมาได้ประมาณสามปีเจ้าค่ะสภาวะปัจจุบันที่ ที่ประสบเจอบ่อยๆก็คือว่าหลังจากที่ตามดูรูปนามไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีการปล่อยวางของมันเองมีอะไรคะหลวงพ่อฟังไม่ค่อยออกมันคือมันเหมือนว่ามันมันปล่อยวางของมันเองเจ้าค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยความคิดปรุงแต่งต่างๆเวลาที่เราเข้าไปรู้ในความคิดที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนรู้ไทยนี่ยที่หลวงพ่อว่าก็คือมันก็จะวางมันจะหาย ความคิดนั้นจะหายไปซึ่งบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าบางทีเราไม่อยากพูดหรือว่าคือไม่อยากมีคำพูดขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าในการพูดแตกระครั้งเนี่ยมันคือจิตมันจะต้องกรุงแต่งเรื่องราวขึ้นมาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่แต่ต้องระวังอันหนึ่งนะบางทีจิตติดสงบเนี่ยจิตเลยไม่อยากพูดต้องไม่ให้จิตติดสงบแล้วก็ในเวลาที่เรานั่งภาวนาเจ้าค่ะ ก็พอตามดูรูปนามที่เกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ย เ, าเราก็จะเห็นจิตที่เหมือนหยุดนิ่งๆแต่ว่าคอยดูแล้วก็จะเห็นการวิ่งเข้าออกที่ออกไปรับรู้อันหนึ่งอย่างนั้นดีนะอย่าให้มันนิ่งค้างคงที่ทั้งวันทั้งคืนนะค่ะถ้าอย่างนั้นติดตัวผู้รู้ไม่ดีแต่ขณะเดียวกันบางทีก็รู้สึกว่ามันปล่อยการที่วิ่งเข้าออกแล้วก็เหมือนเป็นรู้การรู้อีกอันหนึ่งซึ่งเหมือนเหมือนมันรู้ซึมซึม รู้อยู่เฉยๆขึ้นมาอย่างนี้เจ้าค่ะให้รู้อย่างที่เขาเป็นนะทั้งหมดเร่องไม่เที่ยงทั้งหมดเลยไม่ใช่เอาอันใดนหนึ่งนะเค่ะอย่าไปเอาไอ้รู้ตัวหลังนี่ก็ไม่เอาก็ดูสภาวะที่มันเกิดดูดูความเปลี่ยนปแปลงไปนะส่วนหนูที่ส่งกันบ้านน ะ, <S <S ๆๆนะเวลาที่เราภาวนาเนี่ยอย่าให้จิตมันไหลไปเวลารู้สภาวะนะทุกคนอะเวลารู้สภาวะเนี่ยอย่าให้จิตมันถลําลงไปรู้ ดูแบบดูห่างๆเห็นอย่างหลวงพ่อเห็นใบไม้เนี่ยใบไม้อยู่โน้นหลวงพ่ออยู่ทางนีนะ้เวลาดูใบไม้เนี่ยจิตหลวงพ่อจะไม่ไปอยู่ในใบไม้เวลาเราดูสภาวะภายในนี่ก็เหมือนกันจิตเราจะไม่ไหลเข้าไปในตัวสภาวะเราจะดูห่างๆนะถ้าจิตเราไหลไปรู้เนี่ยให้รู้ทันว่าจิตไหลไปรู้แล้วจิตจะถอยตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้จริงๆจนะทรงตัวเด่นดวงอยู่ต่างหากหมดแล้วน้องใช่ไหม ครับหมดแล้วครับรมดน<อ>ละก็คงสมควรก่เวลาครับสาหรับวันนี้นะครับหลวงพ่อครับเรามีของที่มาถวายหลวงพ่อเตรียมไว้ด้านนอกผมจะขอเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายครับพวกเราตั้งใจพร้อมกันนะครับท่านใดที่เตรียมของมาถวายก็ตั้งใจล้อมจิตถวายหลวงพ่อพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายปัจจัยทายาธรรมพร้อมทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อปราโมทโปรดรับปัจจัยทายาธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เ, าเพื่อประโยชน์ เ, เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายาตลอดกาลและนานเทินรับพอนะ่อนนะยาถาวาริวะหาปุราปริปุเรนตีสาขรังเอวเมวาอิตดินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุ สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปั น, นาราโซยัามาิโชติรโสยัทาสพีติโยวิวัตชันตูสัพรโรคโควินสัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจังมุธาปัจจายโนจัตตารโรธรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลังสา อย่ากลัวทุกข์นะ่ากลัวทุกข์มันเป็นทรัพยากรในการภาวนาคอยรู้สึกตัวบ่อยๆรู้กายรู้ใจบ่อยๆไว้ใครมาฟังหลวงพ่อทีแรกต้องทนมากๆนะมันเข้าใจยากที่ยากเพราะเราไม่ค่อยได้ฟังสมัยพุทธกาลเนี่ยอนาถินทิก ะ, ะตอนจะตายเนี่ยนิมนต์พระสารีบุตรไปเทศให้ฟังพระสารีบุตรเทศเรื่องขันทให้ฟังแกร้องไห้นะ จะบอกแกไม่ได้ฟังมาก่อนคำสิงพระพุทธเจ้าเทศเรื่อยนะแกไปวัดเนี่ยแกหมวดแต่ปลืม้มแล้วก็หมวดแต่เที่ยวดูว่าจะซ่อมตรงโน้นจะทําอะไรตรงนี้ไม่ได้ค่อยฟังเนะกรงใจพระพุทธเจ้ามากนะไม่อยากกวนพอตอนจะตายเนี่ยพระสารีบุตรเทศเรื่องขันห้าให้ฟังเนะี่ยแกร้องไห้เลยเสียดายว่าไม่ได้ฟังมาก่อนแล้วแกก็ขอบอกต่อไปนี้ขอให้พระคุณเจ้าช่วยสอนเรื่องขันห้ากระยมเยอะๆหน่อยนะถ้าได้ฟังเนี่ยนะจะได้ขําพบคขามชาติไป มันยากในครั้งแรกที่ฟังเพราะเราไม่คุ้นเคยนะอย่างถ้าเราฟังเทศเราฟังเรื่องทำทานรักษาศีเลื่องนั่งสมาธิอะไรเนียที่ไหนก็มีฟังนะแต่ฟังจนถึงจะแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันอะไรเงี้ยนะเราเห็นใตรักอะไรต่ออะไรเนียต้องทนนิดนึงนะฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องก็ให้โอกาสกับตนเองฟัง CD, ซีดีซ้ำๆไปซีดนะีก็แจกให้ฟรีนะไม่ได้ขายหรอกฟัง ถ้าทำได้ชีวิตจะมีความสุขนะเราเขไปแล้วเนาะ